แต่ก็่ได้ไม่เอาไม่ได้มนจพว่าบบใส่ตาเจาเข้ามาดูสเผขาดอไายอะไม่มีกุแจใส่ไลบใสุ่แจได้ตัวหอไม่ได้ จะเสียเวยลาต้องกับลงมาท า, าอนอะไ่งง้ยก็ดีอยากจะขึ้นมาที่เราองขตวยเลยก็ลเลยหายไปหายก็เพระว่าที่มู้วนจารยบกว่าเขาเป็นเดินนข่คือใชใ่ขยับขั้นตอนอคือตอนที่เร า, เ, เ, า, เ, า เ, เราตัวเราก็อยู่ในโมที่ะตเวียนที่นี่ก็บอกว่ า, าไม่ค่อยกลัวแล้ว ก็เลยบอกว่าก็ต้องปลอถ้ไม่กลัวแล้วก็ไม่เกิดประยนะเพราะความกลัวนี่มันเป็นเหมือนหองหนองที่มันอยู่ในแผเราต้องบีบมันออกเมื่อมันมันมันไหลออกมาได้ระดับหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือเราก็ต้องบีบมันแรงนจะออกมาได้ถ้าเรากต้องเรากลัวถึงแม้อยู่ในสุขีเรายังกลัวเลยแต่พอมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเราก็ ซิ่งกับงตัวก็หายก็บอกนี้ก็ต้องออกมาข้างนอกทางตัวออกมาเดินเนื่อหาุศลกัแล้วว่าือหากุศลที่นั้นลึกเข้าไปในตาคือเลือดกุศลตงนี้มันัไม่ลึกท่าไหแล้วก็ต่้ก็บอกเาก็ไปเดินเที่ยวดูวากรบอกข้าง้าเขาเข้าไปเข้าไปเห็นมีกุศลกุอยู่ข้างในเออดี อย่า้ไม่ใช่มีใครใครใครกัเท่าไหร่เพราะมันมีสติดกับทางเดิมทางเดิมทางเดิมที่ผ่านทายสายมเราไม่ต้องไม่ค่อยตระหนักเาไหร่ตรหคนทก็ต้องการจะตหนหตรงนี้นะเดี๋ยวขอขอขนี่นอะไรเป็นตเว่าแต่นี่ังไม่พอหนาเลยอ่ะมีนะมีนะขอบ เี๋ยวเราคุยกันยาวแลวก็ทกันวก ว่าเรียงว่าเสร็จแลถ้าหลังอยู่ตางก็ได้ใชอเหาล้วพนาอะไรอีกอะไรอีก พี่ว่าทางีีกวคือกาัาปานนรเที่ที่ต้องรัปางไครับตั้งใจว่าจะมาคุยบวอเหมือนกันแวันนี้ไม่เป็นไรญาติโยมเยอะเอาโอกาสฟังครับมากล้า คืออันนี้เป็นลูกถ่ายะถ่ายอันนี้ต้องรถ่ายอันนี้อนีอะนี่าอันนี้เป็นทีมที่ท่านผท้กา็อม่าที่มหาห้องตาะครับเพที่ได้ใช่ไหมนะใ่ไม่ได้ให้ได้ไอ้อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า อันนี้ที่ฝากให้คุณคุณเเข้าไปให้ด้วยก่อนครับอันนี้วันที่29อันนี้ที่พี่ผ่านทำไมตอนหลังนีไม่ไม่รวมไม่ของเก่าด้วยเลยเหรอไม่ว่ารวมแต่ว่าพี่ปุ๊ตัดเป็นกันกันปลายจะยกเป็นกันกันเอ่ะไรมสนค้าทำย้ายเลยอ่าเพรวาจะจะจะจะจะร้าหนึ่งที่มันมันมีขี้ว่ามน้างเก่ากันได้ด้วย อยกคนที่เขาไม่ได้ตายาจะไทำอะไต้นนได้ไก็นั้นสาวกสาบแผ่นปาให้คุณแม่ใจใหายก็ที่เาอยู่อาคือเหน่ต้ปีที่แล้วก่อนิานเดกคกเ่ไอ้เนี่ยอันนี้อันนี้อัน้หาว่ามันมันไม่เสียหายอะไ ใต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ล้แต่มันก็ไม่ได้ฝีนาอะไรเลยแ้วอยู่บ้าให้พี่ก็ไม่หมดเลยกเนไ้แต่ไม่เป็นไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต้นถ่ยแล้วเราค่อมาทําันก็ได้อคุณพี่ทำใหต้องรอจุกนั่งคือแยยักห่มเรเป็นวงคำถามวาตอบกันมาตอนนี้ไหมั ว่าหลายคนที่ได้การรับร่างของต่อแล้วแล้วทุกเท่ามันก็เหมือนกันเลยว่าจริงๆอาจจะการแทก่ว่าอนหงเรกแต่ว่ายัง้สว่ายทีหลังก่อนก็ได้จริงๆมันก็ต้องสังเทศไปด้วยแล้วก็มีทางสายต่อไปแ้วมันก็จะมีอ มีอะไรผสามาสานันไปคำส า, งางง่งคำกนรนี่ก็อาจจะไว้ไว้ที่หลังก็ได้นะเพรว่าตอนนี้มันก็แต่ละเรื่นมันก็มีทั้งคำถามอยู่ในตัวอ้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จ ะ, ะเดี๋ยวมันจะเพอแล้วก็มันจะนั่นนี้ก็มีเรื่องนั้นก็มี อย่างนี้มันแบบมันมันกระจายกระจายให้เองมันก็อ่านอ่านได้ฟะได้อ่านทั้งเทศได้อ่านทั้งภาษาไปเรื่ยแต่จะทำอะไรนี่ก็ไม่ได้ขัดนะแต่ว่าเห็นว่ามันยังยังไม่จำเป็นนะหรือว่ามีคนก็อยากจะอ่านบทคัมภีทอคำฝากคำสาบเพบางทีมันมันมันมีประเด็นให้เขาได้ได้คิดไปเรืยเวลาอ่านู่้ันเพื่อนร่ยมันกระจะ อาจจะกดารจจะหาใจจากความนใจของเขาก็ได้เขาก็เลอาจจะไม่อยากนแล้วี่มันก็เยอะด้วยก็ก็ตามการสะดวกนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไร ไม่ค่อยถึงวไปเรื่องอย่นงแล้าก็แค่ซุปโภตไปอย่างเดียวกนะ็ได้หรือว่าบางทีเราสสวอไปสมัยนันมันรู้สึกว่ามันอยากจะหยุด่วนแล้วก็อาจจะดูลมเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเสืดอะไรดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกสังเกตรูว่ามั น, นเปเร่องอะไรหรืเลพราะการเสวอนี่มันจหมือเป็นการสวนกระแสของความคิดของเราต้านนึงต้านกระแสของความคิด ธรรมาถ้าเราไม่มีอะไรมาต้านเราจะนั่งคิดไปเลื่ยเปิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาสังขารมามาตรวจมนทานตรวจไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสังขารมันก็เหนื่อยเพราะมันเดินมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพราะนั้นการสรวจมนนี้ก็อาจะมาได้รับประโยชน์ในในระยะสุแกแรกๆก็อาศัยตอนนั้นท่องเทปุ่ยมหาสีรมหาศรีประธานสูดได้ ใ, ใจต้องประมาณ40นาทีถ้าไม่จำได้แนตะ่ไม่ได้แบบว่านั่งไหว้นั่งมเอ อ, อเลแล้วก็นั่งภาวนานั่งแบบสมานั่งทำสมาธิแล้วก็หลับตาแล้วก็สวดใจทางใจเหมือนแทนที่จะใช้พุทโธพุทโธเราก็ใช้ใช้กระสุ น, เ ป, นเป็นเปนะ็นแอนตี้ ก็ได้มันจได้เกิดกา่ว่มขนกรขับเคลั่อนตอนางมันก็ั น, นได้มั น, น, น, นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนี่ตรงนี้ก็ได้ เราเสียงดังขึ้นเลยนะดังขึ้นจากเราเจนแต่ว่าเวลาสวดนี้ต้องมีสติคือไม่ใช่สวดแล้วก็ยังปล่อยให้มันคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่นี้ได้อยู่พยาให้มันอยู่กับสทสวดมันยังถ้าสวดไปแล้วรู้สึกว่ามันยังคิดได้ก็ลองส่วนให้มันเร็วขึว้นหน่อยขึ้นเราจะส่วดบทอีกทีท่สนี้ก็สวนได้ ปีติโสภควาระหังจำมากัำพุโทโธ่ึนไปสวดกี่รอบก็ได้เราไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนั บ, นบว่ากี่รอบพาจบรอบนี้แล้วเราก็เริม่มตวนเ่ิดกิดใหม่คือบางคนนี่เบือ่อรู้สึกว่าถ้าให้ให้บริกรรมพุทโธทุทโธทำเดียวรู้สึกว่ามันมันไม่พอแต่ถ้าให้เกิดมรรคก็จะเกดได้ ก็ใช้บทห่วงมนี้เป็นตัวช่วยไปก่อนนะะที่หมายถึงกรณีที่ที่นั่งแล้วเรากำหนดรุดตูไม่ได้หรือว่ากาหนดลมหายใจเข้าออกไม่ได้คับนอนอนเลย ม, ม, ม่ีเสกเท่าไหร่ใช่ไหมหหนมไได้ตนะอน หันกระดานก็ควรเรียนการไปหลังจากละคนก็ต้องต้องสังเกตดูว่าจิตของคน เ, เป็นแบบั้นหเหมาะกับอะไรอย่างไรต้องดูดแลและ่าน ท, ที่เรานั่งภาวนานี บางทีจิตของเราอาจจะถนัดง่ายก็ได้บางทีก็ถนยากบางที่อยู่กับถึงแการร้อนที่ผ่านรายตอนที่เราจะมาภาวนาวันนั้นก็มีเรื่องราวมากจิตใจเราวุ่นวายมากจอดติดอยู่กับเรื่องราวเวลามานั่งภาวนา น, นี่มันจะไม่ปล่อยง่ายๆมันยังจะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อย บางทีสวดมนต์ก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีต้องใช้ปัญญาเข้าไปแกะมันออกมาพิจารณาถึงเรื่องราวที่เราเคยยังกังวลก็จะ่งหลังใจแล้วนี่แหละเ้าไพิจารณาว่ามันมีอะไรที่ร่างสาวนเรื่องอะไรมันสําคัญขนาดไห น, นเดี๋ยวถึงเวลามันต้องผ่านไปไม่เขาผ่าไม่เขาไม่ผ่านกาไม่แกะเราไปก่อนเราก็ขาไปก่อ เรื่องมันก็จบกันบานอั้าแต่มันอมีปัญหาเรื่องผลบัตรไปขู่ว่าคือน้องไปแย่งผลบัตรกันแล้จะตอบร้อนกันได้ไหมเราก็คิดว่าผลบัติไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแบ่งกันได้หรือจะแบ่งได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะถูกใจหรืไม่ถูกใจนั้นแตละเรอแล้วมันได้มาแล้วเดี๋ยวก็องไปชั่งหมดหรือถ้าไม่หมดเนี่ยมันตายไปแล้วมันก็เป็นของคนอื่นไป ทิดเป็นแนทางที่ว่ามันจะต้องจบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คิดเห็นดีแล้วมันก็มันก็คงได้ก็ฮะแล้วลตอนนี้เราก็ทำอะไรมันไม่ได้แลั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไปทำอะไรไม่ได้คิดไปก็เสียเวลาต่างๆขึ้นวายการต่างๆที่จจออยอมรับทางจริงยธรรมว่ามันเสนเอตับบุญตับตึงก็ฮะถ้ามันจะเป็น เป็นสมบัติของเราเดี๋ยวมันก็มาหาเราอยถ้ามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราเราไปทํายังไงแค่เป็นแค่ตายมันก็ไม่มาหาเราอยู่เลยที่แบบนี้แนละ้วมันก็อาจจะตัดหน้ที่โคลงลางหน้านี่เป็นผลกระทบอะไรบ้างงั้นเรื่องราวต่างๆนั้นยังอยู่ที่เราไปไปมีการศึกษ ถ้าเราชอบล้วรับสิ่งไหนเราต้องการสิ่งไหนมากๆสิ่งนั้นมันจะติดใจเรามากพอรู้สึกว่าจะได้รู้สึกว่ า, ากาจะได้มันนี่มันมีตึสเส้นอย่างถ้าถ้าสิ่งไหนเรารู้ว่ายัางไงยังไงเราก็ไม่ได้มันหยุดมันใจสุดเรื่องเหล่านี้เราก็จะไม่ไปต้องยอมรับ น, นะ เราไม่คิดว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารอย่างประเทศไทยเพราะมันใจสุถึเ่อนเราไม่ฝันเงมันผมไม่เคยคิดเลยนะแต่ถ้าเราเป็นรองผู้ว่านี่ไม่อาจจถ้ามันใกล้แล้วมันก็้มันอยู่ที่แต่ถ้าเราลองว่าจะเป็นผู้ว่าแล้วรมันก็มีภาระของมัอายุของเราหกสิบเขาก็ฝนเราเวลาทางานไม่ถุกใจเขาเขาก็ฝนเราอยู่ดี เราไม่เป็นนี่เข้ามาปวดเราไมา่ได้เราเราไม่เป็นดีล่างของเขาแต่พอเขาตั้งเราแล้วเนี่ยเรากาเป็นดีล่างของเขาเราจะปวดลองเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นเราลับจะทรมานีิก่กว่าที่ทรมานยิ่งกว่าตอนที่เราไม่ได้เป็นนี่เพราะงั้นถ้าถ้าอยากจะได้ไรที่ต้องเกิดจากการให้ของผู้อื่นหรือการแต่งตั้งของผู้อื่นเราอยากหรืออยากว่า เขาสร้างเราได้เาขาปกครองเราได้เขาดูาได้เขาอนเาได้เอาสิ่งที่เราให้กับดูเราเองได้ดีกว่าแล้วไม่มีใครสามารถยื้อแย่งจากเราไปได้อันนี้เราไม่มีกันเราไม่ก็งฉมใจกันอันนี้คือธรรมะในใจเรานี่แหละที่เรีว่าอาริยสัจได้ใ น, น, นแล้วไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้ เพราะมันเป็นเงาตามตัวเรามีใครสามารถข้ามเงาจากเราไปได้ไม่ได้ใดรักใดใดรักที่เกิดจากการทำทามดีรักที่เกิดจากการละเม้นการทำบาปทั้งปวรักที่เกิดจากการชำระจิตใจกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจนี้เป็นรักอันเกิดเป็นรักที่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้นำมาครอบคอง เราจึงเรียกว่าเป็นอาลัยยะชอบเป็นชับของพระ อ, อาลยยะพวกเราก็มีสิทพระอาลยะพระอาลยะก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรลัยะท่านกเา็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความโลกความกรธความหวงยังมีความอยาดในสิ่งต่ารรงๆเยอะแต่หลังจากที่มีพระพุทธเจ้าต่อสั่งขึ้นมาแล้วนำธรรมมันกระเสริมนี้มาเผยแผแล้วท่านหลนานนั้นได้ยินได้ฟัง ท่านก็ปรพฤติตบิณฑ์การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราท่านก็ได้บบบน่นตาเลื่นอนขึ้นมาเป็นสติัญญาดังนั้นเวลาเราอยากจะได้อะไรที่เป็นของภายในใจเราพยามเฉยวา่าเราทําะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่เราความตื่นจะปล่อยไดถ้าเรามีสติและมีปัญญาคอยเกลี้ยแล้ว จะได้ว่าเรื่องราวที่จะสร้างความยุ่งวุ่นใจเรื่องราวที่จะมาทำลายความสงบในจิตใจของเราวนี้ยมันจะน่าเวทและเวลาเราฟังจิตสงบเนี่ยมันจะน้าเราย่งยินดีสำราบยกและเฉลิมฉลอยว่าเวลามีอะไรที่จะมากระทบกับสิตในวันทำให้เราต้องเปลนเปลี่ยนไปเทําให้มัน ให้เราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาไปของเราก็จะวุ่นวายถ้าเป็นอย่างนั้นเวล า, น า, นาะะจะ ม, มนั่งทำจิตให้ก็จะถังเางมนุษย์บว่ามันมันวมันยังคิดยังต้องออยู่กับสิ่งต่างๆ่านั้นอจะไม่ได้บ้างตัวจะเสียมากอะไรเพราะฉะนั้นใช้่าก้ Vertex, ต, brasile, ตอนเห็นร่ถงกต้องรู่ว่าทรับที่แก่จิงนั้นต้องเป็ทัพย์ไทยนะคนฉลาดเพราะนั้นถึงจะสบายหายทรัพยไทยนะคนโงานั้นที่จะสบยหาทัพยไทยนะหาแล้วก็หาไม่ไเงินก็ไม่รู้จับพอแล้วก็ไม่รู้จับนแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกงนั้นยืนยันเป็นสาย่้านก็ RICHARD, i, ทำอยใางไก็ยังเสีหายก็ยังเสีาย ยังอยากยังต้องโลภยังโหวดยังาลาลาเลาอยาาาๆๆู่ยังาลาู่วาอยู่กับต่่านตาใจที่อต่อวางทักทายก็อาแล้วมือทักทายไงตะเป็นใจที่เยนที่สนบที่สบายนี่เป็นอนุภาคของทักทายไงทักทานี้ทาให้ผิตของเราทําให้จิดของเรา ถ้าเรามีบางสั่งบางตัวเกิดขึ้นมาเองนะเมื่อเราได้การพอและความอยากต่างก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันจะทำให้ตกความข้างหรือความมืดมิดแจ้ความสว่างมันจะจดจืขึ้นความจัดนม่ไดถ้าไม่มืดมันก็ไม่มีแสงสว่างถ้ามันสว่างเลก็ไม่มีควงมืดอันนี้ง ถ้ามีความพอมันก็ไม่มีความกถ้าม่ีความอยากมันก็ไม่มีความออยากได้เท่าไหร่มันก็อยากเพิ่มขึ้นไปรเรื่อยๆได้ที่เท่าอยากจะได้สอได้อเท่าอยากจะได้วานันอย่างเนี้ยคนถึงรวยใจหาในหาเสียนเป็นมีเงินเป็นเหนือนองล้านเพราะมันหยูด่้ความอยากมันหยุไม่มี้ถื ถ้าเป็นรลเกี่ยที่วิ่ล ง, งเขาไม่มีคม่มีทางที่จะหยุดได้มีจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมันห้งชงแล้วมันก็ตกหัวปแลระเดอขึ้นไปอเราจะมีความอยาดได้ก็ต่อเมื่อตายแต่ังตก็หยุได้แต่เฉพาะภาพนี้ทานันเองเไม่สามารถทาอะไรในโลกนี้ได้ต่อไปนะแต่ใจนั้นยังไม่อยู่ พราความอยากมันไม่ได้อยู่ที่กายคาอยากมัอยู่ที่ใจความอยากนี้มันก็พาให้ไปเกิดมนาะเกิดมาแล้วก็ไปหยาแล้วก็ไปเริ่มต้นใหมับเราฆ่าปาศาสตองทายไอยขัางชายทะเลตอนที่น้ำมไปเราเอ า, อาทายมุนแล้วมต่อกันต่อจนรื่องวาง พอย้อนขึ้นมาเงนก็ละลายหายไปรับสมหัติของต่าที่เราจากากันไปนารๆก็เ่อยพอเราการไรับหลังนี้มันก็หายเฉืเ่อยไ่เป็นสมบัติของเราเีกต่อไปเพือการพิจารณาที่จะทำให้เรา กายความสมวัยกายความยืดหุ่นหมายถึเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลก็เหมือนกันพรก็มาจากวัตถุดหมืนไัร่างกายวันนี้มันก็เป็นวัตสุกระดูกก็เป็นแั้งแขเลือดที่อยในร่างกายก็คือน้ำอากาศก็คือลมที่ไหลลมที่ไหากระจายตัวก็เป็นลม การร้อนก็คือปฏิกิริยากาเปลีนีูที่อยู่ในร่างกายทำให้เกิดการร้อนขึ้แต่พอร่างกายหยุดไม่มีการทางานของไตแล้วปฏิกิริยาการเคลีนรูก็หยุดไปการร้อนในะร่างกายก็หกร่างกายก็ย็นขึ้ เ, เราไปจับคนตายดูร่างกายก็จะไม่มีการร้อน กาก็งม า, าง น, นีแหละแต่เราไปหลงว่าเป็นเป็นตนเป็นนแล้วก็เปกปังวลไปหวปนระทั่ชนไม่ได้นอนไม่หลับดลยแปลว่าผ่วงนีง่คือการรักษาอย่ า, า, าดียวใขนาดสายตาถาวันยังมันก็ต้องหายใจจากใจ่ดีถ้าเรารอเราเห็นจุดจบของมันแล้วเราก็ไม่ต้องยุว ส่นใหเราน่าจะเห็นกอนตืินเริ่มต้นแต่เราไม่คิดถึงตอนสุดจบเวลาเจอทางนี่โอหวานหวานหวานเน่ยออยู่โลกน่าอยู่เงี้ยมันก็จะมีความสุขแต่ไม่เห็นตอนสุดจบคือ ต, ต้องมาร้องห่มร้องห้ก็เสียากถ้าดูหนังก็ดูแต่ตอนตอนน้นได้ก็เตอนจบไม่ดีพอะเพรเรื่องกลางไม่ดีแล้วก็ติดเหนือยเรื่องหนัง อะไรไมหมความผิดใใจเรามีความเห็เกี่ยวกับความคือของชีวิตคือสุดของชีวิตอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้ามันอยู่หน้าสุดกับความคิดของเราแล้วความคิดัองเราจะพิจารณาที่ถูกต้องอสมาที่ิจะป่อยวางนใดกิ่นใดที่ไม่อยู่กับเราเรกัาลัง ปันหาที่จะสร้างความคุ้มค่ากับเราอันหาที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นก า, ารงานที่ต้องั่งและได้ตลอดไปเราต้ออย่างนี้เกี่ยกมันดีกว่าแล้วเราจะไม่เสียใจถ้าเราอยู่คนเดียวได้ไม่มีอะไรก็ได้ถ้าพระเจ้าถ้าอาอาหารกับสาวกที่บางการนั้นหลายนั่นทำให้เราอยากได้ ทำไมเราไม่เอาท่านมาเป็นเรื่อนงำเราประจาวาท่านแต่เราไม่มองท่านเลยเราปรารรูปของท่านเราก็จะมองแา่รูปของท่านซึ่งรูปของท่านนั้นไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงความจิงของท่านน่นเป็นอย่าราริงความจริของท่านนั้นเกิดจากการการศึกาการสำรวจคิดของท่านว่าท่านสำรวจคิดอย่างไรท่านรู้ว่าทุกคนทุกค เมื่อว่าท่านประหยันดนักพยากรณ์น้อว่าสังเกตนี่เป็นสิ่งที่เราไม่มองกันต้องใส่ให้สามารถถ่ายเป็นแบ้ต้องอาใจต้องของต่ญญางอย่านคือเราต้องนำลดถึงปฏิบษษอตินาอานีนาของแต่เราลูอ ว, ว่าท่านบำเพ็ที่ท่านอยากได้การกินการอยู่ของท่า น, า น, น, านท่านจึงมอย่ ท่านใช้ชีวิตอย่างไรแต่รต้องคิดอย่างนี้แล้วงานอกางานก้กับตัวน้อยจันหามากโดย่ามรเราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นแบบทาได้เต็มที่แบบที่ท่านทําด้แต่อย่างน้อ่มตาท่านคนพูดว่าต้องทาแบบติดขึ้นตูดต จะทำไม่ได้ร้อเสืกอมก็อย่างว่าให้มันมีเชือของกู อ, อย่างไหรื อ, อว่าเวลาจะขึ้นเกลือนจะใช้จ่ายอะไรที่มันซื้อเพราที่ไม่สนใจก็พยายามระงับตัดกันบ้างอยากล่อยให้เป็นกางกล า, างกลางยาดทอนเหวี่เลยเพราะมันไม่ได้เป็นทางที่จะทาราไสูามสงมันจะทาเราไปสู่ความวุ่นวาย เราเราเร า, เราทำอะไรไปแล้ ว, ลวมันก็จะมีพลังที่จะให้เราอยากจะทําขึ้นมาอีกเราเคยทำอะไรคั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองมันจะง่ากขึ้นขึนเดียวกันถ้าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราถูไม่ทำเสียครั้งต่อไปมันก็จะยากขึ้นการอยากจะทํามันจะเบาลง แล้ว้าเราฝืนไปเรื่อยๆต่ต้องฝืนบบทใช้สัญญาคือต้องเห็นด้วยเหตุด้วผลว่าของเครื่องเปอยนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยได้มาแล้วเพื่อดีการไปเชื่อชาวแค่นันเองแล้วก็ไม่ไมีอะไรี่ดีขึ้นแล้วก็อยากได้หน่อยเช่นเรามีเสื้อผ้าหรือเคือแล้วใ็่ตู้อยู่แล้วไม่มี่างเติมเ็ ที่เราเชื่อเชื่อ้าตุเชื่อมันเลยใช้ไปอีกข้าวต้ยังยีงยังใช้ได้ยูยเชื่อธาที่าดีอยูย่แต่พอเราไปเดินตาม ท, าทางงา้าทานวานตงๆเห็นเขาเอาเชื่อธาตุยันตทินีน้ออกมาขายโชว์ให้เราเห็นเราก็อยากได้แล้วไม่ใช่อยากได้รือเฉยรีปซื้อเลยไม่ไมเยยังค์ทิศขานเจอเห็นแล้วเอาไปทาําะ เรก็ไม่นานใช่ไหมพอเดือนสองเดือนออกมาเดิน้าหนอก็อ ม, อ ม, มีเสืห่เอามารอดใจเสื้อผ้าจริงลูู้้้ไม่พอเสื้อผ้านี่คือสิ่งที่เราสามารถถัดข้างจิตใจได้เราไม่ได้เสียหายอะไรเลยที่จะไม่ซือของอนั้นถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าจะใส่คนลางคนจิตใจทองผ้าต้ หลักแน่นจริงๆถึงแม้เสื้อผ้าเก่าแล้วมันขาดเขยังตัดยังใช้มันต่อไปได้นั่นคือสิตใจของคนที่ร้พันหนักไปทางธรรมะอีกส่วนจะเอย่างนคุบาอาจารย์นม่หยุดไม่เคยได้ยินตีวอ น, ในใหม่ๆท่านไม่เคยใช่ไหมแล้วทุนนั้นมีท่านตะตีวอนกระทั่งหาหาพื้นของตีวอนเก่าไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนก็นมีแต่ผ้าตัดทั้งนั้นเป็นถุงเนหล แต่ท่านมีความสุขกับการอยู่กับท่านท่านไม่เลยเอาชนะไยท่านไม่ได้อวดความความพิเศษพิเศษว่าท่านใช้ข้อมันแต่ท่านใช้น่าเชื่อท่านใา้ใจใ ท, ท่านเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กลน้อยที่เรากินซึน่งคุณค่าต่า่าของเรามีอย่างไม่ต่างเดียวเราไม่ข้อมานแล้วเราก็โยนทิ้งไปก็่ีเยอะแยะ ทั้งที่เรายังเอามาใช้ประโยนได้นี่คือตัวอย่างคือเราถ้าเราอยากจะพัฒนะความเห็นแิรของเราเราต้องเอาพฤติกรามของผู้ร้ายมามาตับใช้จากชีวิตของเราเราไม่มีชีวอนแต่เรามีเสื้อผ้าเสื้อผ้าเรา มีความจําเป็นไม่ต้องมีเท่าไหร่เราถ้ใช้แต่ท่า น, นั้นก็พอเช่นเราจะต้องใช้สําหรับไปทํางานใช้สําหรับอยู่บ้านใช้สําหรับทำอะไรก็ถือแต่แต่ถ้าตัวไหนที่เราสามารถใช้ประโยชน์ควบคู่กัได้หลายอย่อางก็ลองใช้ดูเป็นตัวนี้แต่ไปทํา ง, งานก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่นนใสใระเทีก็ได้อย่างนี้เราได้กาไรตั้งสามต่อแทนที่จะต้องซื้อเสื้อสามตัว เราใช้ตัวเดียวสามารถใช้ได้ทั้งสามสามวันด้วยกันได้ออกไปเที่ยวก็ได้ใช้อยู่บ้านก็ได้ใช้ใช้ไปทํางานก็ได้คือการใช้พลังงานเป็นแบบนี้ถ้าเราทำทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าต่อไปความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นต่างๆมันจะละสดน้อยผลหายเป็นไปแล้วเราจะได้ มาทําสิ่งที่มันให้ความสุขกับเาย่างแท้จรเวาหมดเวลากบบการไปหาเนหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของเพื่อ่วยแล้วได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขต้องยืนต้นตึกมีความพอเราก็บ่นว่าเราไม่มีเวลาพอในารเพร า, าเพราะว่าเราให้ความสําคัญต่อการหาเงินหาทองมากกว่าหาทรัพ ย, ย์ทายาทมากกว่า เราไม่เห็นคุณค่าของพใช้เงินว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าการค้าเราจึงหมดเวลากับการไปหากับการนอกหมดเวลากับการใช้เงินที่ได้มาเมื่อหมดยาต้องไปหาหมัดวนเวียนอยู่อย่างนี้านานๆถึงจะด้านเวลามาหารักไปไหนก็เลยไม่เคยได้สัมผัสกับผลเท่าไหร่เลยไม่เห็นคุณค่าของ แต่ถ้าเราลองคิดกับตามปรัดดูเอาเวลาที่เราชั้งหาเงินหาทองนี้มาหาทรัพย์ภายในล้วเอาเวลาที่เราหาทรัพย์ภายในไปหาทรัพย์ภายในดูสลับจากกันดูสลับควาดีแล้วเราจะได้เห็นผลที่เราได้รับจากการหาทรัพย์ภายในรับรองได้ว่าเมื่อได้สัมผัสกับทรัพย์ภายในแล้วเราจะ เพ่อเพมข้ามเนะ้ามาแล้วเราจะพยายามหาเวลาให้มีมากนขึ้นไปสําหรับการห า, านะจั่งใจเนี่ยเจะเริ่มมีเวลามากขึ้นต่อให้เวลามากขึ้นกับการปฏิบัติต่อการบาเพ็ญ ง, งานการที่บำเพ็นจะต้องทําก็ทำแค้สิ่งสำคัญเท่านั้นถ้ามีสมบัติมีทรัพย์พอเพียงที่จะไม่ต้องอาศัย จะเวลาไม่ต้องหากัมใหม่มาเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะลาออกจางานก็ได้ให้เวลากับทางไปอยู่วัด ท, ท, า ท, ทางานเพื่อไปด่าจสามารถจ้กะพเขียวได้อไม่อยู่มาจนเดือนอมู่ม า, มาตลอดเลยก็นก็มีอยู่นะรักไปรักของคุณบาอาจารย์แต่ละวันเราจะเห็นว่ามีอิบาสิกาอุบาสิกมันชั่นบางคนก็นอยู่วัดกันเป็นเวลาเหมือนกัน ้ากเจรุญารศึกหญ่ก็จะเดืกกเป็นไปเลยการเจราสุกาก็จะอยู่อยู่ที่วันบจริญวาสุกานก็เป็นนับบวชนนือนกันเพียงแต่ว่าเป็นสภาพจิตนี้เราไม่มีการบวชแบบแบบที่ชาตเราเต้องบวชแบบนี้อยู่ก็อยู่เป็นวารสุกาแต่การปฏิบัติ ก, ก็ไม่แตกต่างกันเราก็นำเทิงถึงสมาธิปัญญาเหมือนกัน มารคผลนิาพานที่จะได้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันตางนันเพราะฉนั้ น, ะะ น, นเราต้องทำเช่นนี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติตนเที่ยนะครับนนนนในในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอาตับัญาัติมันยิ่งใหญ่งราต้องทำตัวเป็นสมรรคาให้หอมกล้วย พยักอะไรข น, ม, นมันก็จะเพื่อนหนุนให้เราติดใจเราน้มไปทา ง, ท, างที่จะระวาได้มากขึ้นเหมือนนใไหด้ไอตัวพุ่เพื่อนี่นตัวจุดเอาเวลาของเราไปหมดพราเราพุ้มเฟือนี่เราต้องตั้งคานเงินขาองก็ตั้งคาเวลาไปใช้กับการพุ่มเฟือนก็ามานคื มันเปนแบบซื้อของร้าเเ น, เนเดิมๆจนเลื่อละเราก็ต้องบินไปยักรออก็บินอาจ้ะก็บินใกล้ๆไปแค่แถวฮ่อ ง, งอกงแถวญี่ปุ่นต่อไปก็ บ, บินไปยุโรปบินไอเมรกา <c oughs> มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าขยิ่งเี้ยมันมีทางมากเท่าไหร่มันก็มันก็จะเป็นอย่างเงยโดนโดนโดนหลายคนเี่ จรินเสื้อผ้าใส่เมื่อกี่ชุดมันก็พอแล้วอาจายจรย์ให้เป็นงูชี้เขาเจ้าท่เราไปสังคมเวลาเราจะใช้ปัจจัยถึ ง, งการสองค่าให้พิจารณาทุกครังก่อนจนเวลาจะหอมเสื้อผ้าใช้จีวรจะพิจาราว่าหอมเอ พ, พ, พื่อปกปิดร่างกายปกปิดอวัยวะป้องกันความหนาวความเย็นไม่ให้มาทําให้ร่างกายเราเจ็บได้ด้วย ไ, ไม่ได้หอมเพื่อให้ความสวยงาม อยากเสื้อผ้าอาภรคนรางสวยงามที่แท้จริงต้องสวยด้วยใจสวยด้วยศีลรักษาสวยด้วยความเมตตาธรรมงามไม่ได้สวยด้วยเสื้อผ้าอาภรเสื้อผ้าอาภรก็เป็นเสื้อผ้าอย่างนันไว้ปกปิดร่างกายเวลาฉันอาหารก็ให้ฉันเพื่อนนะครับหลับทางอย่าให้ความความผิวของร่างกาย รับประทานอาหารกับรับประทานยาเพียรยารักษาโรคของความหิวในรับรับประทานเพื่อรับฆ่าเพื่อความสนงบสง่าเฮฮาเวลาเวลาจะกินข้าวคนเดียวกินไม่ได้เขาต้องโทรศัพท์ชวนเื่อนเอกไปกินกันตามร้านแล้วไม่ได้กินเฉยๆต้องเดิ่มของมุอเราประตอบไปด้วยเรานี่เราไม่จําเป็น มันเป็นการสูญเสียรทรัพยากรที่หาวันด้วยความยากลำบากสูญเสียปเรล่มเวลาไม่ได้ผลอะไรเลยการสุดก็เป็นวามสุดแบบควันไฟที่มันลอยแล้วก็ระจายหาไปในอากาศสุดในขณะที่เรารับประทานกันทั้งวองข้ายากกันกลับบ้านแล้วาหายใจ ซึงไว้แต่ความล่างว่างท้างว่างกล่าวเกลียเดียวดายซึ่งไว้แต่ความอยากที่จะต้องโพลสั่ชวนกันไปหาความเฉดหนามนั่นเองนี่ความสุขของเรามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตนี่คือวิถีทางของคนในโลกเขาหาความเฉดแบบนี้นแต่เขาจะไม่เคยเจอคามอิ่นความพอในจิตใจของเขาความจิตความอิความพมันจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเรา มันเลี้ยงดับความอยากต่างได้แม้จะเป็นชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่ามันก็สนุกด้านเช่นวันนี้อยากจะออกไปกินข้าวกับเคื่องสื่อยากจะไปดูหนังตัดสินใจไม่ไปอันนี้จะเขาอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิแล้วทําอย่า ง, งาดีๆกันจงหรือไม่ดีมันก็อาจจะสนุได้แล้วจะได้กําไรกว่าการออกไป เราได้รับภายไงแล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งพันแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไม่มีใครเอาจากเราไปได้แล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ความอินความฟอรความสุดก็ยิ่งมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนต่อไปนี้จะไม่อยากจะโทรโทรศัพท์ไปหาใครและไม่อยากจะให้ใครโทรมาหาด้วยจะติดเครื่องตลอดเวลา จะนี้จะใช้มันก็ต่อมเมื่อเรามีธุละจําเป็นกับชางจำเป็นเพราะเรามีการเตรียมกับความอยู่ ต, มตามลำพั ง, งของเราแล้วพอไปอยู่กับเพื่อนแล้วทีนี้จะเริ่มเริ่มรำคางแล้วเดี๋ยวคนนั้นก็บ่นเรื่องนั้นให้ฟังคนนี้ก็บ่นเรื่องนี้ให้ฟังมีแต่ปัญหามาระบายกันเท่านั้นไม่มีอะไรเวลาเจอกันเวลาทุกคนได้ระบายแล้วทุกคนก็สบายใจจะไม่มีใครฟังปัญหาของใครหรอก เขาปล่้เขาระบายไปนั่นเลยเราก็ระบายของเขาเราของเราเขาก็ระบายของเขาไปแต่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ระบายที่ถูกต้องถ้าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาให้ระบายอยู่เรื่องก็เราไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใส่ใจเราแทนที่เราจะปลดเปลื้อปล่อยวางไม่จะยุ่งเกี่ยวกับมันเรากลับไปเอามันเข้ามาแบกใน การยอมเพราะฉะนั้นไปทางครูบาอาจารย์เนี่ยถูกแล้วไปทางพระพุทเจ้านี่ถูกแล้วถ้ายังมีปัญหาอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราต้องมีเนเบื้องต้นก็คือสัมทานขอให้เชื่อรพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์แล้วพยายามทำในสิ่งที่ท่านสอนให้เราทำเพราะถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะไม่มีอาวุธที่จะเข้าไปทําลาย เอาียกาะรโลกที่พ่เมันสร้างข้อมล้อมปิดจันของเราไนวะ้พิเรนนี้มันไม่ต้องการให้ธรรมะเข้าไปในใจเพราะถ้าธรรมะเข้าไปในใจแล้วมันจะถูกทาลายดังนั้นมันจะสร้างข้อมป้าการสร้างกำแพงไว้ป้องกันไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจเราได้สังเกต ด, ดูเวลาเราจะปฏิบัติทีนี้เรารู้สึกว่าโหเมือนก็จะต้องปีนเขา มันจะสร้างความรู้สึกยากลำแบาบกเวลาจะทําบุญทำทานเวลาจะรักษาศีลีู้สึกว่ามันยากลำแบาบกถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เราจะไปเที่ยวนี่มันต่างกันมากมีเงินก้อนอย่างนี้ยถ้าให้เลือกระหว่างไปเที่ยวกับไปทําบุญนี้ไปเที่ยวนี่มันมันเหมือนกับเดินลงเขาเลยแต่เวลาเอาเงินนี้ไปทําบุญนี้เหมือนกับเดินขึ้นอันนี้หางคนที่ยังไม่เคยทําบุญมา ก, ก่อน ถ้าคนที่เขาทําุญจนติเป็นปนิจัยแล้วมันจะเป็นกองทันข้ามกันเจ อ, อถ้าจะให้เขาเอาเงินไปใช้ไปฟุ้งเฟือยไปเที่ยวเขาจะรูส้สึกว่าเสียดายแต่ถ้าเขาเอาไปทําบุญแล้วเขารู้สึกว่ามีความมีแสดงว่าเขาได้ป่ากําแพงของกิเลสไปได้ขั้นหนึ่นอองนะคือความสนีกเราอยากจะใช้เงิน ไปกับถิ่งของผู้งเฟยความอยากจะชั่งนเงินไป ก, กับการชื่นความสุขต่างๆในโลกมันจะถูกทําลายเพราะาอาศัยศัตรูในวงกลมเชื่อว่าการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่ดีการทาทานนี้เป็นประโยชน์กับเราจริงๆในยุ่งย่นก็ทำใบดับถึงเหมือนเหมือนกับคนที่กินยากินยาขม อ, อย่นี้หมอก็หบอยาขมีกินแล้วมีประโยชน์ จะทาให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นแต่เราไม่ชอบรับประทานแต่เราเชื่อหมอเราก็พยายามฝืนรับประทานมันเช่นพวกมะละอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างที่ธรรมดาเด็กๆจะไม่ชอบกินมะล ะ, นะขนาดเพรามันขมแต่ผู้ใหญ่นี้เมื่อมีโรคภยัยไข้เจ็บเดือนเดือนเราได้รับการงานะนำให้กินของตรงนี้ ก็เชื่อหมอก็พยายามถือนศีลไปเรื่อยๆจนปิดชนดิดสายขึ้นมเมันชอบของมนไปหลนยๆการทําบุญทาทานการรักษาศีลการภาวนาก็เช่นเดียงกันเราต้องมีศรัทธาเป็นตัวเป็นหอกเป็นหัวหอกคอยทะลุทะลวงเกราะที่ทเปล่อมันสร้างขวางวันไม่ให้เข้าสู่ใจของเรา พยายามทำไปเห็นแล้วจะไม่ชอบทำทางฝันงไปถึงทำไปทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเห็นผลพอเราเห็นผลแล้วเราจะมีกําลังจิตมีกําลังใจพอเห็นผลแล้วทีนี้จรัทธาก็หมดหน้าที่ไปเพราะมันเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นว่าเออทำบุญทางทางนี่มันดีจริงๆมันเกิดประโยชน์กับใจของเราจริงๆ เราต้องขอบใจคนที่เขามาให้เราทำจริงทำทางให้เจนี่ทําใปถ้าไม่มีคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ได้เราก็ไม่ได้ทดําริงทำทางความคิดคนที่เขาเดือดร้อนนี่เขาก็มีประโยชน์นสำหรับสำหรับเราเพราะเป็นเหตุทําให้เราได้มีโอกาสได้ทดําริงททางเนี่ราองทำไปเถอะถ้าเราทําแล้วเราเห็นผลแล้วต่อไปเราจะฝึกนิสัยการทําริงแล้วเรื่องการ ใช่จากเครื่งเคือต่างๆนี้มันจะหมดไปเลยสังเกตดูแต่คนที่เขาชอบทาบุญทาทานมักจะเป็นคนที่อยู่แบบเรียบง่ายแต่ทำเเวลาทาบุญทาทานนี่ทาเยอะเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็เป็นเสื้อผ้าธรรมดาไม่หรูหราไม่ไม่อะไรฉลางเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถ้าถ้าถึงขั้นสูงสุดก็แบบครูบาอาจารย์ ท่านทำบุญทำทางขนาดนี้ถึงที่ท่านได้มาทั้งหมดนีน้ท่านไม่ได้เก็บได้เลยน่าจะนิดเดียวท่านเอาไปทำประโยชน์แก่โลกทัง้งหมเพราะว่าท่านเห็นประโยชนท่านทำถึงแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากการทําทานนาะอาจารเพราะจิตของท่านนั้นมันเต็มแล้วคือเท่าป็นน้ําในแก้วมันก็ล้นมันก็เต็มอยู่แล้ว แต่เทน้าเทไปเทไหร่มันก็มันก็ไม่ได้ทําให้มีน้ํามากขึ้นไปกว่านั้นคือความสุขความอิ่มใจของท่านนี่มันเป็นสิ่งอยู่แล้วแต่ที่ท่านทำก็เพราะว่าหนึงก็ทําเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีกําลังจิตกาลังใจสองก็เป็นการสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนสมมติมว่าถ้าท่านไม่ทำท่านอยู่เฉยเฉยท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ญาติโยมก็จะไม่มีโอกาสได้ ท, ทําบุญทำทาน แล้วคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็เจะไม่ได้รับประโยชนจากการพันธุ์ทาทางของญาติโยมแต่คนที่เหนื่อยก็คือท่านอยูะองค์ท่านอยน่ที่จะต้องนื่อความจริงท่านอยิ่เแย้มท่านก็สบายอยู่แล้วนี่คือการเสียสละของพระพระจริงๆท่านทําเพื่อประโยชน์ของผู้อยจริงๆตัวท่านเองท่านประโยชน์ของท่านท่านได้เต็มที่แล้วอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่เรา จำเลือกถึงในวังวิสาขบูชา ว, วันเพ็ญเดิอนหกวันที่พระพุทธเจ้าทรงจับพรงหลังจากนั้นแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรก็ไดนะ้พระพุทธเจ้านั่งกินนอนกินก็ก็ไม่เดื่อหน้าเลยแต่ยังต้องสละเวลาถึง 49, สี่สิบเก้าพรรษาด้วยกันทำประโยชน์ให้กับสักรก็ทําให้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์นึกนับเป็นนวนไม่ถ้วนจนมาถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็เป็นผู้ที่ได้รับบารมีส่วน จากการศึกษารู่และนเอาสิ่งที่ท่ารู้มาเวยแวให้ให้กับกโลกถ้าไม่มีท่านพวกเราทุกวันนี้จะเป็นอย่างไแเราอาจจะห ล, ล, ลงอยู่กับการไปชอบนิ่งอยู่แถวสยามพารากอนก็ได้แทนที่จะมานั่งอยู่ในป่านในเขาแบบนี้ตอนนี้อาจจะไปเข้าไปดูหนัง้องหนัง้องไหนก็ได้หรือจะไปตามชายแดงที่เขาไปเื่นการนานกันก่ำกนนด มันก็เป็นพวกที่หูหูหกตาบวชปรุงงานพวกที่ไปสยามพ า, ารากอนพวกที่เข้าโรงนัมพวกที่ไปบ่อนเหมัอนนี้เป็นพวกหูหนวกตาบอวชของเราเนี่ยเป็นพวกพวกเรามีแมาจะตาตาไม่ไม่ดีแทนที่หูไม่ดีแทนที่แต่อย่างน้อยก็ยังพอจะได้ยินยังพอจะเห็นอะไรลางๆอยู่ยังพยายามจะเก็บชะกำมาอยู่ ฝนตกแดดออก ย, ยังไงก็ยังทำสัมมาอยู่มีแสดงว่าพวกเราก็มีบุญมีกุศลเราได้สะสมบุญกุศลทั้งในอดีตและในปัจจุบันบุญกุศลนี้จะได้มากไม่ใช่เกิดจากอดีตจะเกิดจากปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรามีโอกาสสะวงได้เต็มที่เลยหไม่ว่าในอดีตเราจะสะสมมาได้จนสิบเปอยี่สิบเปอร์เซนต ที่เหลือ80เปอร์เซ็นนี้เราสามารถสะสมได้ในาชาตินี้ถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพราะเจ้าทรงทํานายไว้แล้วทรงพยากรณ์ให้แล้วเลยว่าใครปฏิบัติทำสมควรจะทำตามที่ตถาคนได้แสดงไว้อย่งช้าไม่เกินเจ็ดปีถ้าเร็วพวกผู้ฉลาดที่เหลือเบาเนี่ก็เจ็ดเจ็ดวันก็สามารถที่จะเสร็จงานที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราทำได้ อย่าไปคิดว่าต้องสะสมจนกับเป็นกางเหมือนกับพระพิทธธิตจ้าพพิจิตจ้าต้องสบสมเพราะไม่มีใครสอนไม่รู้จักทางไม่รู้จักวิธีเลยต้องทดลองแบบทุกชนิดเลยจึงต้องใช้เวลามากเหมือนกับคนที่หลงทางในป่าไม่มีคนนำทางต้องหาเดินหาไปเรื่อยๆวนไปอยู่เรื่อยๆก็ต้องใช้เวลายางนาน แต่พวกเรานี้ยเป็นเหมือนกับมีพรานมีคนนําทางตอนล้อยู่ในป่า ก, ก็จริงอยู่แต่เรามีคนนําทางมีพระพุทธเจ้านําทางมีครูบาอาจารย์นำทางอยู่ก็เราทำไมไม่เดินตามทางท่าน้าเดินตามทางนี้ไม่กี่วันก็พ้นจากปาก่าจากเขาไปสู่ที่ปลอดภัยไปสู่ที่กเกษมไปสู่ที่ไม่มีทันทุกข์ไม่มีภัยต่างๆมีแต่คามสุขไปตลอดนานนานกาล โอกาสนี้ไม่ใช่เป็นโอกาสที่จะหาได้ง่ายๆที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมาเจอธรรมะเืรระ่อชาบพนาเจอพ ร, ระพุทธเจ้าไม่มีนะโอกาสน่าจะไม่มีอย่างนี้ถ้เาเป็นการถูกแบตตอรี่ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งั้นเราเรียบเอาไปขึ้นงเงินเสียอย่าเอากระดาษ น, นั้นไปเผาทิง้งเราถูกแบตตอรี่กันแล้ว ึเวลาเราเดินไปที่ไปขึ้นเงินทางนั้นยังขี้เกียจเดินไปเอาเลยก็ยไม่รู้จะว่าย่างไรนะวิธีที่จะเดินไปก็คือทานสีลภาวนาพยายามทําไปทานเราก็ทําไปตามฐานะของเราอย่าไปหาเงินมาเพื่อทำทานอันนี้ไม่ใช่เป็นการทําทานการทำทานก็คือทํานในส่วนที่เรามีเหลืออยู่หรือสละในส่วนที่เราจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็น เพ่อนวันนี้จะไปซื้อเสื้อชุดใหม่ชุดนึ่งก็เอาเงินที่จะซื้อชุดใหม่นี้มาทําทานจากเอเงินนี้ไปกินอาหารกับเพื่อนสูงไปช่วยล้งฉลองกันก็เอามาทําทานเสียอดข้าวเย็มสักมือหนึ่งแทนถือสินแตอย่างนี้จะได้ประโยชน์ใจ ก, ก็ได้ประโยชน์เงินที่เราไปทําบุญก็เป็นประโยชน์กับผื่นจิตใจเราก็พัฒนาสูงขึ้น นี่คือความหมายของการทำทาไม่ได้ให้ไปทำมาหากินห า, นหาเงินมาเยอะๆเพื่อมาทำทาอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะจะทำอย่างอื่นได้เพราะนอกจากทานแล้วมันยังต้องมีศีลที่จะต้องรักษาและจะต้องมีงานภาวนางานภาวนานี้จะต้องใช้เวลามากถ้าเราทุ่มเทได้มากเท่าไรผลก็จะออกมาเลยถ้าเราใช้เวลาให้สำนวนน้อยผลก็จะออกมา ถ้าออกหมวดได้แล้วรับรองได้ว่าท่านี้รี้สึกรู้สิถ้าเราถ้าเราสามารถตัดสิ้ใจออกหมวดได้แล้วคล้ายๆว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยได้คือไม่ได้ออกบวดแบบแบบมีปัญหาตามมาคือภาระหน้าที่อะไรที่เรายังมีอยู่เราต้องจัดการกมันให้มันหมดสิ้นไป แล้วเราจะได้ไปแบบไม่มีอะไรมาข้างๆในจิตในใจขงเราถ้าปาแบบาบนั้นแล้วรับน้องได้ว่าไม่ยากหม่ง่ายแต่ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนกระทัง่งเวลาหลับเลยในเบื้องต้นก็กําหนดดูรีสติจอยู่กับตัวยนเสอนี่คือเป็นการปฏิบัตินะ้องพยายามระงับจยาบความคิดตรงจัง ก, การ อย่าไปคิดเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆของใครของคนนั้นคนนี้อย่าไปสนใจส่วนมลปลายภายในใจก็ได้ในทั้งอิรยาตทั้งสิ่งทำมะไรแล้วก็มีอิทิพลิโสรอรหังสัมมาอยู่ในกนรารตลอดไปอย่างบางท่านก็มีพุโทโธคำเดียนก็ได้ท่านเจนริญพุทโธอยู่ในอิรยาตสิตลอดเวลามันเป็นการกําจัดความคิดต่างๆให้มันเบาบางลงไป แลเมื่อเวลาเรานั่งทําสมาธิทําให้จิตสงบมันจะสงบง่ายมันจะรวมลงเมื่อมันรวมลงสงบแล้วทีนี้เราจะมีฐานของปัญญาเราจะพิจารณาอะไรเห็นว่าอะไรไม่ดีเราก็ตัดได้ถ้าเราไม่มีสมาธินี้เวลาเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็หยุดมไม่ได้เพราะไม่มีแรงแรงหยุดก็คือสมาธิกันเองเพราะเวลา จิตรวมลงไปสมาธินี้จิตมันหยุดทํางานเวลาเราอยากจะหยุดทําอะไรที่ไม่ดีถ้าเราไม่รู้จักหยุดเราก็หยุดมันได้อย่างไรแต่เมื่อเรารู้จักหยุดแล้วเรารู้จักทําจิตให้มันหยุดสั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดสั่งให้มันหยุดโกรธมันก็หยุดโกรธสั่งให้มันหยุดโลภมันก็หยุดโลภเราก็สามารถสั่งได้ถ้าเรามีสมาธิเป็นพื้นฐาน แต่ถ้าเรามีสมาธิแต่เราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาสมาธินี้ไปใช้กับอะไรเพราะว่าปัญญาจะเป็นผู้ที่แยกแยะว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณ<ม>อย่างที่เมื่อกี้นี้เราฟังแล้วเรา<ม>เราทด้ได้ฟังเรื่องปัญญาแนละ้วว่าการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนี่เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เราถ้าเราไม่มีสมาธินี้ หยุดไม่ได้ตอนนี้ฟังก็ฟังได้อยู่พอไปเดินห้างเดี๋ยวมันก็มันก็ออกไม่ได้แต่ถ้าเราทําจิตเเราให้สงบได้แล้วทาทรองได้ว่าไม่เอาแล้วของคุ้นเคยทั้งหลายไม่จําเป็นดังนั้นสมาธิยังเป็นตัวสําคัญในการที่จะสำนึกถึงการทํา ง, งานทางปัญญาในเช่นนั้นมันก็จะเป็นปัญญาแบบปัญญารี่เป็น แต่วรู้รู้ว่าไม่ดีรู้ว่าเรามีนิสัยไม่ดีชอบบน่นชอบชิ่วชี้ต่ก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวมันก่อนแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรารู้ว่าเออเรามีนิสัยนี้ไม่ดีนะหยุดได้ต่อไปจะไม่ชิ่วชี้จะไม่ชื่อบน่นเราทําได้ถ้ามีสมาธิเพราะสมาธิเป็นตัวหยุดตัวที่หยุดดังนั้น อย่าไปสนใจว่าคนหนึ่งเขาจะสอนอยังไงว่าไม่จําเป็นจะต้องมีสมาธิคล้ายๆปัญญาเลยอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางการณีในบางครั้งบางขาดเป็นบางทีเราไม่สามารถที่จะกล่อมจิตให้สงบได้ด้วยทุทโธหรืออะไรก็ต่างก็าอาจจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปสัทธันนั่นเหมือนที่เมื่อกี้แ ด, ด้อธิบายในเบื้องต้นไปยุ่งไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรก็พิจารณาให้เห็นไตรละกษณ์ในเรื่องนั้น แล้วมันก็จะกลอดวาแล้วมันก็จะสงบรวมได้การถึงที่เราต้องการเรา้องการให้มันสงบเป็นที่ให้มันรวมลงให้มันหยุดนิ่งไปเลยไม่มีการคิดการตื่นอะไรต่างๆนั่นคือสมาที่ที่เราต้องการถ้าเราหยุดมันเหมือนถ้าเป็นรถยนต์ครับมันแบบจอดนิ่งสนงบเลยรถไม่ไหลเลยถ้ามันไม่ไหลแล้วต่อไปเวลาเราจะหยุดมันเราก็หยุดมันได้ เวลาเราอยากจะทำอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็หยุดมันได้คาว่ารู้อว่ารู้ว่ามันไม่ดีนี้ก็คือปัญญานั่นเองถ้าเรายังรู้ว่ามันถ้ า, าเรายังไม่รู้ว่ามันไม่ดีเราก็ยังทำอยู่ก็ทำเพราะความหลงเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาจากผู้อื่นว่าทำอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นเราไปฟังเทศคํามธรรมคุบาจารานกระสัว่าอันนี้ไม่ดีนะอย่าไปทา เราก็เอามาพยายามผักค่าจิตใจเราจะทําจะหยุดได้มากน้อยเช่นไรจะเลิกได้มากน้อยเชยงไรก็ขึ้นอยู่กับกาลังของสมาธิที่เรามีถ้าเรามีกําลังสมาธิเป็นร้อยเราก็สามารถเลิกมันได้เลยถ้ายังห้าสิบห้าสิบันก็ยังเลิกไม่ได้ 100, เป็น้อยเป็นผู่เพราะฉะนั้นทั้งสมาธิและปัญญามันมีความเกี่ยวดองกันมีความสำคัญ ถ้ามีแต่สมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาก็ไม่สามารถชำระสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังทำอยู่เนื่อยรู้ว่าอันนั้ก็ไม่ดีรู้ว่าอันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็กำจัดมันไม่ได้ชำระมันไม่ได้รู้ว่าโลภไม่ดีรู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ถึงเวลาก็อดที่จะโลภไม่ได้ออกที่จะโกรธไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วแล้วรู้ว่าเอออันนี้ไม่ดีนะเลิกได้หยุดได้อันนี้ไม่ดีนะนหยุดไ ด, นนไ ด, นะ ด, ได้ดังนั้นการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามขัน้นตามตอนเริ่มต้นไปตั้งแต่ทานขึ้นไปหาสีไปหาสมาธิหาปัญญาไปสู่วิมุตติการหลุดท่อหลุดท้นจากกิเลสหลุดทอนจัก อุปทานความยึดมั่นถือมั่นสนับสนุนจากความเหลงข้างหลังแล้วเราจะสามารถดำเนินตามรอยของครูบาอาจารย์ได้เต็นรอยเกิดขึ้นจากศรัทธ า, าในมุ่งมั่นฉะนั้นขอเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระอริยสงสารท่านสอนให้เราทำทางทำประโยชน์ไม่ได้เสียดาย รักษาสินก็รักษาแต่คนบงคนก็รักษาสินแล้วไม่รวยไม่เจริญไม่เป็นไรความรวยไม่ใช่เป็นความเจริญความเจริญอยู่ที่สีนพนไม่มีสินจะไปเจริญได้อย่างไรต่อให้รวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าเป็นคนโกหกเป็นคนที่ไม่มีใครเขาเชื่อถือแล้วมันจะมันจะไปเจริญได้อย่างไรพนไม่มีเงินแต่มีสีนนี่กลับเป็นคนที่เ ร, ราประมามีชา ที่เรากราบไหวพระนี่ไม่ใช่กราบเพราะท่านมีเงินทองแจกเรากราบท่านเพราะว่าท่านมีสินจากสินก็ภาวนาพยายามหาที่สงบหาเวลาภาวนาให้มากแต่จะภาวนาให้มากมันก็ต้องอยู่ในในในเพศอีกแฝบงบถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่เพราะการภาวนานี่มันหมายถึงว่าการทํางาน ทางด้านจิตใจล้วนๆไม่ควรที่จะมีภารกิจภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องยกเว้นภารกิจที่จําเป็นของพระก็คือการดินขบาติปัดกวาดลานวันน้ำอัดผ้า ด, ดูแลรักษาร่างกายกวาดถืสอสารากุฏิอะไรทา่านนึงทังนั้นแล้วจะไม่มีภารกิจภายนอกข้อมาทํางานภายในยนี้มันสําคัญมันลึกเป็นงานลืึกพบลึกชาติ ไม่ใช่งานเล็กๆน้อยๆที่ไหนหรือพบข้าหรือวัสาวสงสารทํำลายวิชาที่เป็นสงครามอันยิ่ง ท, ที่เราจะต้องทำํำและไม่มีใครทาแทนเราได้ไม่มีการทําให้กับเราได้พระพุทธเจ้าก็ทําให้เราไม่ได้กูบาจางก็ทํ า, ท ใ, หห า, หาทให้เราไม่ได้พ่อแม่ก็ทําให้เราไม่ได้เพื่อนสนิทนิสหานก็ทําให้เราไม่ได้ ที่เราตัวเดียวคนเดียวพัตาหิฏฐานุโมนาถตอนเป็นที่พึ่งของตนมัอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราจงปลูกตังศรัทธาให้มีความแน่วแน่มั่นคงแล้วก็อย่าท้อแท้เวลาท้อแท้ก็ให้เราเลืกถึงพระุทธเจ้าเราเลืกถึงพระองฆ์พระภิว่าท่านกตะ ก, ตะกิตการไม่มีคุกคาด ลำบากลำบนท่งจะผ่านไปได้ไม่มีใครจะ ผ, ผ่านทางนี้ไปได้ด้วยความสบรยดเวนเนยแ บ, แบบสบายต้องต้องต้องเหมือนกับผ่านนรือรบไปท่าจะไปถึงสวรรค์ได้ย่งงู้สึกหลวงปู่ขาวท่านเคยพูดว่าอนิพพานมันอยู่ภากใต้นะ วนเราทําไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงกับเอาชีวิตเข้าไปแลงมันมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นคำรามบากระบูนเล็กๆน้อย ๆ, ๆขนาดนี้ไม่ถึงแล้วกเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอย่าอย่าไปกลัวมันเราปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้เองว่ามันจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเพราะคนเราทุกคนนี้เกิดมามีความกลัวตายด้วยกันทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้ายังมีความกลัวตายอยู่แล้วไม่มีทางที่จะผ่านผ่านไปได้ ที่คุณแมมาอยู่นี่ก็เขาก็เริ่มเห็นปัญหาของเขาแล้วว่าเขามีปัญหาอยู่พคนนั้นว่าต้องปัญญามที่จะมาแกแ้แล้วเราปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราจะเริ่มเห็นเองปัญหาของเราไอ้ตัวที่ไม่ทับมันขวางความสงบของใจเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีแก้เป็นยังไงถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับภาคปฏิบัติถ้าปฏิบตับตินี้ท่านต้องทัน อ่าเหมือนกันทุกคนเพราะโรคมันโลกเดียวกันยาที่ใช้รักษาก็แบบเดียวกันเพีงแต่จะจะหนักจะเบาอย่างไรของแต่ละคนนั้นตามกันคือว่าบอกกันไมเมเรื่องต่่บางครั้งในศรัทธาเนี่ยบางคร้ามันในคาเชี่อเองไม่ใชไม่านขะึินเชื่อรุ่มเดียวตาบอดคนตาบอดจะเป็นสองสายคนตาดี กินเบื้องต้นก็ต้องหาคนที่เราเชื่อถือได้ย่างถ้าถ้าถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องใช้ปัญญาประกอบไปด้วยนะเสรก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อแบบฟู้หนอกตาบอกไปเลยเสรก็ต้องมีมีเหตุมีผลในกาลมาสู่ก็สอนกันว่า ไม่ได้เชื่อเพราะเขาเปัญญาการของเราไม่ได้เชื่อเพราะอย่างนี้นอย่างนี้เชื่อเพราะว่าเราสัมผัสแล้วรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีเราก็แต่ในบางกรณงต้องเชื่อแบบเราเชื่อหมอหมอให้ยามารอรับประทานถ้าเราไม่รับประทานเราจะไม่รู้หรือว่ายาที่หมอให้เรามารับประทานนี้มันรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ได้หรือไม่ถ้าเราไม่รับประทานเราก็จะไม่รู้ แต่ถ้าเรารับประทานยาเนี้ยเราจะรู้ว่ามันรักษาอาหารได้หรือไม่ถ้ามันรับประทานหมดแล้วโรคยังเหมือนเดิมอยู่ก็แสดงว่ายานี้ไม่ถูกต้อโร่วงของเราต่อไปหมอจะให้ยานี้มันรับประทานอ่กก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้ารับประทานแล้วอาการดีขึ้นตามลําดับก็พอยามหมดก็ต้องกลับไปหาหมอขอยามาเพิ่มอย่าใดก็อย่างเนี้ยครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนให้เราทําทาน ถ้าทำไม่ทำไปทำเพื่อควา ม, มสุขใจอย่าทํำไปเพื่อหวังผลตอบแทนอย่าวทําเพื่อเอาหน้าเอาตาปิดทองหลังภาะก็ไม่ต้องอย่าไปปิดทองเพื่อเงาพระทำไปเพื่อความความสุขใจไม่ต้องให้ใครเขารู้ว่าเราทําแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราทำคือต้องพิจารณาว่าทําแล้วมันเกิดประโยชน์ด้วย บางทีเไปทําไปสร้างอะไรที่มันไม่มีความจําเป็นไปทําทําไมวัตถุเจ้าของอากต่บางทีมันไม่จําเป็นก็อยัดไปทําคนที่เขาอดข้าจะตายไม่ไม่ไม่ไม่ไปสงสารไม่ไปดูแลเขาจริงอยู่เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ตามแต่ก็มนุษยธรรมมันก็ยังมีอยู่แม้แต่ตํารวจเวลาเขาจับผู้ร้ายมา ยิงผู้ร้ายบาดเจ็บก็ยังต้องเอาไปรักษาแม้เมื่อคนที่ก็ยังเดือดร้อนมีแล้วเราเห็นเขาอดท้าอดอย่างนี้เราลองช่วยเขาดเถิดโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาเราจะมีความรู้สึกหิมอบใจขึ้นมาเพราะเราได้ช่วยให้เขามีความสุขแต่ถ้าเมื่อเขามีกําลังวังชาแล้วเขาปฏิทึกตัวเองสามเณรเทมา อ, อันนี้ก็ ก็ผ่อนก็ไปทำเรื่องของเขาแต่ถ้าทรางการกับมาไม่มีที่ไปไม่มีข้าวกินก็อาจจะนั่นก็เนียกโวนักโวนไ ป, ไ, ป, ไ, ปไม่ให้ตายบางทีทความระแวงสงสัยมันก็บันนบ่นทอนศรัทธาแบบทอน นใจไปบางมือนกันบางทีอาจจะเป็นมั่วเราให้ความสควัญมั่นหมายเรื่องนั้นมากเกินไปเราเผาไม่ได้เราต้องต้ะวางไไังก็แล้วก็ทําในสิ่งที่เรามีความมั่นใจแล้วกันถ้าพูดถึงในกลางมีทําทางเนี่ยเราก็ทํากับในสิ่งที่เรามั่นใจขณะที่เราไม่มั่นใจก็ไม่น่าไปทำเพื่อเราจะได้ขยับข้อไปสู่ทําสูงขึ้นไปรู้สื่อจัสมาร์อันนี้ไม่ต้องมีไม่จะไม่มีความสงสัยลองรักษาสิ่ไปมันดีเราก็รู้อยู่ว่ามันดี สมะพอนานเราก็รู้ว่ามันดีถ้าเราพอนาะนไะน้งั้นเรื่องทางนี้เราอยากไปกังวลกับมันมากเกินเกินไปทําแต่เฉพาะที่เรามีความมั่นใจทำมาหมดไปเลยมีอยู่เท่าไหร่เอาให้มันหมดไปทีเดียวหมดเนื้อหมดตัวไปหมดเรื่องไปเลย mm hmm. เก็บไว้เท่าที่จําเป็นที่เราจะต้องใช้ส่วนที่เราไม่จําเป็นก็ทําไปเลยอันไหนคนไหนเรื่องไหนที่เราคิดว่ามัน mm hmm. มัน มันดีเราไม่สงสัยเรา Cold, มีความมั่นใจเราก็ทำลงไปโดยครั้งที่หาคุูบาอาจารย์คุณบาอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยเข้าวัดนานแล้วก็ทําทานมามากแล้วภาวนาให้มากมากดีกว่าถ้าอย่างนั้นบางที่เร ipping, าอดไม่ได้เพราะนิสัยทําทานมันเกิดพัฒนาไม่ใช่อะไรมากก็ทำอย่าไม่ใช่นิสัยทําทานหรอกมันขี้เกียจขี้ภาวนาไม่ได right? ้ก็ไม่ทำแต่ไม่ใช่ ทางนมีไว้เพื่อให้เราเรากําจัดสิ่งที่เรามีเหลืออยู่เพิ่มความจำเป็นแล้วเป็นการเบิกความโลภไม่งั้นเราก็อยากจะหาเงินมาเรื่อยๆเราไม่เคยถามตัวเองหามาทําไมหามาแล้วก็อาไปทำทานหามาทําไมมันก็วนอยู่เนี้ย หามาแล้วก็ไปให้เขาหามาแล้วก็ไปให้เขามันก็ไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นที่เราหาคอนดิทหาเพราะว่าเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราทีนี้เราอาจจะเป็นคนโชคดีเรื่องมีความสามารถหาได้มากกว่าเกินกว่าที่เราต้องการเราก็เอาไปทำเพิ่มทำทานเสียแทนที่จะเอาไปใช้ซื้อของชุ่มเครื่แทนที่จะใช้สมุนก้อนละร้อยก็ยังใช้ก้อนละสิบบาทก็ได้อยย่างเี้ แต่ถ้าเราเกิดหานมาได้เยอะเราก็เลยว่าใช้ก้อนระร้อยก็ได้เพราะเรามีเงินอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้ฐานแล้วมันก็จะมาติดของฟุ่งเฟือยแล้วมันก็จะเงินก็จะไม่ขอใช้มันก็จะไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นสีทีเพราะว่าการหาเหงานินนี้ถ้าเราไม่ระวังเราก็อาจจะทำผิดสินได้ มีหลายกรณีแม้กระทั่งเราเป็นลูกจ้างของเนี้ยเราไม่ทํางานตามที่เวลาที่เขาให้เราทําแล้วก็เหมือนกันเราลักศรัพย์เขามาละให้เราทํางานเราไปอู้ไปนั่งกินกาแฟไปอา่านนังสือพิมพ์อย่างนี้ก็เท่ากับเราไปลักศรัพย์เขามาเพราะเงินเดือนที่เขาให้เรามานี่มันค่าค่าเป็นค่าแรงแต่เราไม่ได้ออกไปทํทาตามที่เขาให้เรามาที่นี่ก็เป็นเป็นเป็นการ ทำให้เราสิ้นบกคล้องนหลางทอยแต่ถ้าเราเป็นคนระมัดระวังเราจะเราจะทํางานให้ถูกไม่ให้ผิดใช่ไหมแล้วเงินทองที่เราหามาเราจะรู้สึกว่ามันหามาด้วยความลําบากเพราเราต้องทํางานเต็มที่งั้เวลาเราจะใช้งานนี้ก็จะใช้ด้วยความระวังแต่ถ้าเราหาเงินมาด้วยความวิธีด้วยวิธีที่ไม่ถูกแต่มันง่าย แล้วก็จะใช้เหมือนกานเพราะฉะนั้นการทําหากินก็เพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วก็มีเหลือก็เอาไปทําบุญทำทานแล้วก็พยายามหาเวลาปิภาวนาเพราะเมื่อเราภาวนาเริ่มเห็นผลออมาแล้เราจะได้เบื่อกับการทํางานทางโลกและเราจะได้จับสมมติเงินเขาไม้พอที่ จำเป็นต่อการผสมผอันสนุนในการภาวนาเราจะได้มีเวลาบำเพ็ญภาวนาได้ย่างเป็นที่อาจารย์พลายค้องไหม แนี้น้องกิตตี้ทำตอนขอ ง, งตาเป็นเรือนมกราทันวาอะไรมากรวมทั้งหม ด, มดเลยนี่แ่คนลูกสาวผ ม, ผมคนนี้ชอบเดินเสือให่่ตลอดก้อนครับคนนี้นะครับ วันนี้โดนเ็มลยแก็สามีค่ะสามีจะไปเ็บอกว่าถ้าเธอไม่ใช่ตอนนี้แล้วอยากเช่นแก่ฉันก็เชื่อไม่ไหวไม่บอกเลยว่าถ้าไม่ภาวนาตอนนี้ตอนแก่ก็ภาวนาไม่ไหวตรงเต็มเนงที่ไม่ไนอนกับลกเ แค่นี้ได้มันนี้กำลังสอนตังสอ น, นสอนทาอ่านอ่ถ้าทําดีมันก็ได้ดีเองทำไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ทำ ต, ตามตามแม่มาทำท่ า, ทานตลอดเอแล้วเป็นปัญญาชนเราจะสอบเข้าเอ็นท่านเรายังไม่มีเหตุมีผลยังไปเป็นปัญญาชนได้ยังไงก็ยังทำงานอยู่กับเรื่องสยศาสตร์ อก็ได <anto> <isto> ้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การมันอยู่ที่ตัวเราใชไหมเวเราตั้งใจเียมันถือปล่าเรตั้งใจเลยมันถือว่าแต่เราไม่ตั้งใจเราทําไม่ได้มันก็จะไปโทษใครไม่ได้มันก็โทษตัวเราไปได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญอธิีฐานไม่ได้อันนี้ก็ไปเอาเงินแทนก็ได้ อันนี้ยาหอมของพี่คนหนึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้เขาฝากเขาฝากไว้ให้มาถวายนะก่อนตายเขาฝากไว้เยองเลยจ้ะเยอะเราก็ค่อยๆนะให้่อดนะ ยถาวะริอฮาสุลาภุริเรินติคาทะนัเอวามีวะอิตติณังติานังอุปคัปติอิชิตังปัติตังตุมังกิดเมวะสิจเตวุสัพเพกริตุสังจัณโทปนะระโสยถาจติะโสยะาสิจิวิวัจันสัพพิมะ มาเตยปวัตวันตารายุจิคืิที่คายโกภาวะอาคิวาทัศรีฤทธะฤิจจงอุทาปจาริโนจตารงธัมมวาฏฐานติอายวันโนสุขามาลา มาคนเดียวเลยมาคนเดียวครับมาเพื่อนมาไดูเตียที่าเตียงเลยมา้มาตรงเดี๋ยวกมาเมนเดี๋ยวจะคุยด้วยเปกว่าจะลงไปข้างล่างเลยคือตอนนี้พักอยู่ข้างล่างแต่ถ้าจะถ้าจะคุยกันเดี๋ยวคุยที่ตวเดี๋ยวลงไปด้วยกันก็ได้เดี๋ยวผมรถงมตรงก็ได้ แต่วันนี้ยาจะไม่ต้องผสมก็ได้นะมค่ะแขกเข้ามาต่อบเรนนี้พูดไม่นานเท่าไหร่เนี่ยขอบคุณที่เธอว่าเอามาแวนะเอามาก็ให้คนอื่นต่อไปยงเดียว่ามาหม่ากเยอะมากดีกว่าการงานมาเยอ้มากทำงาต่อ เราไม่เก็บไว้หรอเพราะเราเก็บไว้เ็ตดาเก็ให้เสาวุกคทาที่จะให้ทาได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่่อยทำนะ้าค่บอกแบใช่ยังใลใช้แต่แก้วที่ับปาใช้ เขาแกภาพาปีนาท่านบุกตา่าได้จะใช้กระป๋องนี้ใช่เอาฟามันเอกระป๋องนี้มันบากว่านี่้างนันทึ้นการตามพระวิพระใช้สงจได้ทีุ่ดอ๋อไม่มีห้ามจริงแต่ว่าต้องทาวิจักต์หรือหรือการอธาว่าเป็นภาพบริสุทครับะคือจะอธิาว่าเป็น่าตายาคลองไม่ได้ภาพครองนี่พระมีได้ที่เดียว มีผ้ากายสามถึงมีผ้าสบงผ้าผ้าจีวนี้ผ้าสบงแล้วก็ผ้าถึงผ้าติดมีแค่ผ้ากายจีวรสามถืงนี่ท่านพาระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นสมบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแป่แปดชิ้น น, นีมีอยู่สช้นแต่ถ้าจะมีมากเกินกว่านี้ก็จะมีวิธีทำสองลักษณะถ้าวัดในเมืองวัดวัวนี่ก็จะทำยึดกับ คำว่าวิกรรมนะถึงให้ทําเป็นของสองของเป็นสองเจ้าของไม่ได้เป็นของเรานคนเดียวแช่นสมมติว่าโยมถวายภาพสังกัดมาให้ใ ห, ใหม่เป็นหนะึ่งแล้วอาตมายังอยากจะเก็บไว้ใช้อยู่ต้องไปทำวิกรรมตะพระอีกรูปหนึ่งบอกว่ า, วาภาพตัวนี้ขอเราแบ่งเป็นเจ้าของกันสองคนจะผมจะเก็บไว้ขายแต่ถ้าท่านถ้าเกิดท่านมีความจะเป็นต้องการจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เือไม่ให้เป็นสมบัติของคนเองนั่นเรียกวิกรร การทนางการขายภาพป่านี้เราจะขายทางภาพปานี้ท่านจะอธิษฐานเป็นภาพบริขารหมือเป็นภาพบริวารเหมภาพ้าถ้าที่เราใช้เนี่ยาอังสรไอภาาพอังสะภาพที่นั่ง้าอาบน้ำเยเราจะอธิษฐานว่าเป็น่าบริขารเป็นเหมือนกันไม่ใชเป็นภาพภาคลองแต่เป็นภาพคล้ายๆเป็นภาพบริวารนี้ ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเป็นผ้าที่ท่านถือทุดองอยู่แล้วท่านก็จะถือแค่สามถือหรือถือเป็นผ้าบางสุขุ น, นออรหรือผ้าที่จะทําเป็นผ้าที่เป็นผ้าล่ามาตัดมาเยอะเองหรือผ้าที่เขาทิ้อยู่ในป่าแล้วเราไปไปไปเก็บมาใช้แต่จะไม่ไม่ใช้ผ้าที่เขาทำํทำทาเร็จมากถาวายอย่างามู๋ปุ่มันท่านจะถื อ, อถือถือผ้าบางสุขุน ้าโยมจะเย็บผ้าจีวรสำเร็จมาถวายท่านดังจำเป็นใช้ท่านจะใช้แต่ผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าไขาเก็บมามาตัดมาเย็บเองอะี่เป็นผ้ามงคลผ้าป่านอกจากที่นี่ใช้แบบไหนจะได้ที่นี่ก็เขาวิกลับกันไปรักแบบนะโดยใบครัโดยจ่าทีษฐานเป็นผ้าบริฐานก็ได้ แล้วแต่เพราะที่นี่มันเป็นลูกครึ่งเป็นะสมกัน <c oughs> วัดบวานก็มีวัดป่าก็มีไ <c oughs> ว้กันมาเป็ไปได้ทุกเหมือนการทํากินทุร์หรือไงกินทุนี่มันเป็นกา ร, ราทําตำหนิให้รู้ว่าเป็นท่าของเราเพราะท่าพระนี่ท่าศีเหมือนกันหมดทุกองนี่เวลาได้ท่าใหม่มาครับเราจะต้องทําตำห น, นิทําสัญลักษณ์ของเราว่านี่โดยโดยหลักก็บอกให้ทำสามจุด สามจุดที่ม้วนผ้าีการทำสามจุดเนี่แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคเพื่อจะทําให้เหมือนคนอง่นครถ้าเดีกยวถ้าทําจุดสามจุดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาผ้าหยิบขอ้านฝืนไหนของผมฝืนไหนมาดูมันเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันทํารูปกัดเองไม่ได้ใช่ไหมทำดักเอนไม่ได้ก็พอดีเขาวางรูปแบบฉบับมาอย่างนั้นว่าให้ทำสามจุดก็เลยทำสามจุดจะอาจจะมุมผ้ามนมีหลายหลายแห่งใช่ไหม อาจจะทำมุมบนมุมล่างมุมกลางอะไรบางแนก็ได้ทตรงนึงนั่นเท่านทําปนทุกับปักเวลาทาแล้วอกเนทุกับปังกอลมนเป็กกับปังกลนเป็กขัอะไรทำเสิ็จจะได้รู้ว่าเป็นผ้าของนายทำเสร็จ้ก็ต้องอธิษฐานเป็นผ้าจะใช้เป็นผ้าอะไรถ้าเป็นผ้าายฐานจะเรียกอธิษฐานเป็นผ้าริฐานแต่ถ้าเป็นผ้าผ้า ภ <c oughs> าคคลองก็ต้องต้องต้องสละผ้าเก่าถ้าเราอยากจะได้ผาไ้าใหม่เ่ า, า, าเราาาไม่รต้เราะเรามีภาพคลองได้แค่อย่างเราือนั้นี่้เนีเรื่องของผ้าคยิงโมก็ไม่ต้องงยะปอ่านนตรงนี้เรียกว่าคนเดไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติแล้ว จะไปดูย่ามาต่อได้ไครับน่งรถไปเลครับนอนี่ยังฝากไปกลับไปได้ไหมเนี่ยเพราะไม่มีผู้เจ็บครับได้ครับไย่จัดแล้วบูเที่ยน่ามาสักประมาณไม่ไงก็เดี๋ยวเราให้คนอืไปเพอเราไม่เก็บหรอกจริงๆมันเป็นภาระมากจับเป็นจับไปแล้วเข้ามามากินไปกินไปกินแล้ว เนี่ยเราอาจจะจัดเพรยเพราะว่ามันมันเราไม่ไม่อยากจะยุ่กับของแล้วมันมีที่เก็บองเรื่องสินี้เราเล่นิดเดียวได้กาัเรื่องเอาไปถวายตาไปถวายที่ถึงได้ไม่ไม่ต้องมาคือที่ทำเพาว่า้จเจ็ดหลังแล้วก็แล้วทั้ดได้นิดนึงก็จะช่วยบรรเทาได้ก็แล้วแต่ถ้าถ้าอยากจะามาแต่ที่ว่ามันเป็นาระมันเป็นเรื่องเป็นราว็อ แล้วตอนนี้หลังดีมากจริก็ดีขึ้นตามหลังการดื่มเลือดเยอ่างกายใส่การนอนเยอะมากีขึ้นกับขาวที่แล้วเยาแนี่ก็ฝ่ายทีไปมาแล้วกันน่โยมสมสร้างภาระนี่ตลอดเวลา อ๋อเลอะไรอย่างเงี้ยพี่สิ่ใสจะใส่ทยรึเปล่าไอ้คนนี้อยู่เกงสว่างเลย มันมีโอกาสมาเป็นนานครันนานได้ทำนาซีกันเลยทาให้มันกุ้งข้าไปเลยแต่ทงที่ดีควยจทำในสนามสนามอะไรจะดีกว่าดีกว่าแกินข้าวทุกวันดีกว่าที่หนึงมาซื้อมาอยนแต่ก็ยังดีแต่ถ้าถ้าไม่ได้กินทุกวันถ้าได้กินอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีสำหมับคนกินเลย รู้ก็ตั้งใจเยอะค่ะแต่ว่าเป็นคืนแบบมานในสถานที่นี้มีโอกาสหน่อยหรบ้านก็ได้ทำเหมือนกันกกาาแต่ว่าทําได้าไหมใช่เพราะมันมีเธุรกินอย่างเองืแล้วสถานที่มันก็ไม่ทำเลยแล้วก็เคยอยู่บ้านมาก่อนแต่แตช่วงดี้ตอนนั้นเราอยู่คนเดียวมันก็อยู่มันก็ได้อยู่ครับทำเต็มที่ แตว่ายังเป็นตรมของเราอยู่ว่าอเนี่มีเรื่องนี้เรื่องนี้มามาผูกมัดเราอยู่าเจ้าบอกเป็นบวกเลยเป็นบ่วงเราได้ยินว่ามีรูปออกมาว่าท่านถงทาราผมนราหแว่าบว้ท่านอกอยู่ไปไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปไม่ได้ท่าต้องโดดออกไปาขับลื่กท เาท้หลวัอีกงวัดมังคะท่าเรือมั้งคะท่าร